ธรรมบทแปลเรื่องนางวิสาขาภาคที่สเรื่องที่4ี่สิบพระศาสดาเมื่อทรงเข้าไปอาศัยกรุงสาวทีประทับอยู่ในบุพารามทรงปรารพอุบาสิกาชื่อวิสาขาตรัสพระธรรมเทศนานิว่ายะถาปิปุพาราสิมหา กิยรามาลาคุเลระหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกะตับพังกุสลังระหุงแปลว่านายมาลาการพึ่งทำพวงดอกไม้ให้มากจากองดอกไม้แม้ฉันใดมัจจะสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลไวให้มาก ฉะนั้นตอนผู้มีบุญทั้งห้าในพัทยานกรดังได้สดับมานางวิสาขาอุบาสิกานั้นเกิดในท้องสุมนาเทวีภรยาหลวงของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรเมนะทกษเศรษฐีในพัทยานิกรแก้นังคะ ในเวลาที่นางมีอายุเจ็ดขวบพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของสัตว์ผู้มีเผ่าพันธุ์ที่พึงแนะนำเพื่อความตรัสรู้มีเสรลพรามเป็นต้นมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จจาริกไปถึงนคร น, นั้นก็ในสมัยนั้นเมณทักกะก็เรียบดี เป็นหัวหน้าของผู้มีบุญมากห้าคนครองตำแหน่งเศรษฐีอยู่ในเมืองนั้นชื่อว่าคนที่มีบุญมากห้าคนคือเมณทกะเศษ 1, รษฐีหนึ่งปริยาหลวงของเศรษฐีนั้นนามว่าจันทะปทุมมาหนึ่งบุตรชายคนโตของเศรษฐีนั่นเองชื่อธนันชัยหนึ่งปริยาของธนันชัยนั้นชื่อว่า สุมนาทีวีหนึ่งและคนใช้ของเมนะทกกาเศรษฐีชื่อปุณ น, นะอีกหนึ่งใช่จะมีแต่เมนะทกะาเศรษฐีแต่ผู้เดียวเท่านั้นก็หาไม่กในแคว้นของพระเจ้าปิมพิสารก็ได้มีคนผู้มีโพคะนับไม่ถ้วนห้าคนคือโชติยะหนึ่งชลิละหนึ่ง เมนะทกะหนึ่งปุญนะกะหนึ่งก้ากัวัลยะหนึ่งตอนเมนะทกะเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดาก็ในท่านเหล่านั้นเมนะทกะเศรษฐีนี้ได้ทราบความที่พระทศพลเสด็จถึงนกรของตนจึงให้เรียกเด็กหญิงวิสาขา ลูกสาวธนัญชัยเศรษฐีผู้บุตรมาแล้วบอกว่าแม่หนูเป็นมงคลทั้งแก่เจ้าทั้งแก่เราแม่หนูกับพวกเด็กหญิงบริวารของเจ้าห้าร้อยจงขึ้นรถห้าร้อยกันแวดล้อมด้วยทาสีห้าร้อยคนไปทำการต้อนรับพระทศพลเมื่อนางรับคำแล้วก็ได้ทำอย่างนั้น แต่เพราะความที่นางเป็นเด็กฉลาดในเหตุอันกวรและไม่กวรนางจึงไปด้วยยานเท่าที่ยานไปได้ลงจากยานแล้วก็เดินเท้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนนะส่วนข้างหนึ่งคระนั้นพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมด้วยสามารถแห่งบุรพจัญญาของนาง ในเวลาจบเทศนานางพร้อมด้วยหญิงห้าร้อยตั้งอยู่ในโซดาปฏิปลแล้วฝ่ายเมนะตกาเศรษฐีแลเข้าเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมกถาตั้งอยู่ในโซดาปฏิปลแล้วจึงนิมนต์เพื่อเสบอยอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ด้วยคาตนียะโภชนญยะอันประีตที่เรือนกองตนได้ถวายทานโดยอุบายนิแลตลอดกึ่งเดือนพระศาสดาประทับอยู่ในพัทยานครตามความพอพระหริยตายแล้วก็เสด็จหลีกไปตอนพระพเจ้าเปรตที่โกศลอยากได้ผู้มีบุญ ก็โดยสมัยนั้นแลพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประสินที่โกศลต่างก็เป็นพระพัสดาของพระพักกีนีกันและกันต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงดาริว่าคนมีโภคะนับไม่ท่วนมีบุญมากทั้งห้าย่อมอยู่ในแคว้นพระเจ้าพิมพิสารในแคว้นของเราผู้เช่นนั้น แม้เพียงคนเดียวก็ไม่มีอย่ากระ น, นั้นเลยเราพึงไปสู่สำนักของพระเจ้าพิมพิสารขอผู้มีบุญมากสักคนหนึ่งพระองค์จึงเสด็จไปในพระนครนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารมีพระราชปฏิสันถานแล้วทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาเพราะเหตุไรพระเจ้าโกศลจึงตรัสว่า หม่อมฉันมาด้วยประสงค์ว่าคนมีโภคะนับไม่ท้วนมีบุญมากทั้งห้าคนอยู่ในแคว้นของพระองค์หม่อมฉันจักพาเอาคนหนึ่งจากห้าคนนั้นไปขอพระองค์จงประทานคนหนึ่งในห้าคนนั้นแกหม่อมฉันเถิดพระเจ้าพิมพิสารหม่อมฉันไม่อาจจะให้ตระกูลใหญ่ๆย้ายได้พระเจ้าเปชิตนิโกศลหม่อมฉันไม่ได้ก็จะไม่ไป พระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารทรงปรึกษากับพวกอมาตะแล้วตรัสว่าชื่อว่าการย้ายตระกูลใหญ่ๆมีโชติยสกุลเป็นต้นเช่นกับแผ่นดินไหวปุตรของเมนะทกะมหาเศรษฐีชื่อธนัญชัยเศรษฐีมีอยู่หม่อมฉันปรึกษากับเธอแล้วจะถวายคำตอบแก่พระองค์หัง น, น, นี้แล้ว รับสั่งให้เรียกธนัญชัยเศรษฐีมาแล้วตรัสถามบ่าพ่อพระเจ้าเปเสนที่โกศลนตรัสบ่าจะพาเอาเศรษฐีมีทรัพย์คนหนึ่งไปเธอจงไปกับพระงองค์เถิดธนัญชัยเศรษฐีก็เมื่อพระองค์ส่งไปข้าพระองค์ก็จะไปพระเจ้าค่าพระเจ้าปิมพิสารถ้าเช่นนั้นเธอจงทำการตระเตรียมไปเถิดพ่อ เศรษฐีนั้นได้ทากิจจำเป็นที่ควรทำของตนแล้วฝ่ายพระราชาทรงทำสการะใหญ่แก่เขาทรงส่งพระเจ้าเปอร์เซนทิโกสลไปด้วยพระดำรัสว่าขอพระองค์งพาเศรษฐีนี้ไปเถิดท้าวเธอจึงพาทนัญชัยเศรษฐีนั้นเสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวง มารูถึงสถานอันภาสุขแห่งหนึ่งแล้วก็ทรงหยุดพักตอนการสร้างเมืองสาเกตครั้งนั้นท่านนันชัยเศรษฐีทูลถามเท้าเตอว่านี้เป็นแคว้นของใครพระเจ้าพระชาะ เ, เศสนิโกศลของเราเองท่านเศรษฐีท่านนันชัยเศรษฐีก็เมืองสาวัตถีจากนี้ไปไกลเท่าไหร่พระเจ้า พระเจ้าเปเสนนิโกศลระยะประมาณ7โยต์ธ น, นัญชัยเศรษฐีก็ภายในพระนครับแคบชนบริวารของข้าพระองค์มีมากถ้าพระองค์จะทรงโป ร, โรดใช้ข้าพระองค์พึงอยู่ที่นี่แหล ะ, ร ะ, ะพระชก้าพระราชาเมื่อทรงรับรองดังนั้นแล้วก็ให้สร้างเมืองในที่นั้นได้พระราชทานแก่เศรษฐีนั้นแล้วก็เสด็จไป เมืองนั้นได้นามว่าสาเกตเพราะความที่แห่งสถานที่อยู่ในประเทศนั้นอันเศรษฐีจับจองแล้วในเวลาเย็นแม้ในกรุงสาวิตแลบุตรของมิคระเศรษฐีชื่อว่าบุญนวัฒนกุมารได้เจริญใบครั้งนั้นมารดาบิดากล่าวกับกล่าวว่าพ่อเจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่ง ในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้าปุณ น, นะกิดด้วยภรยาเห็นปานนั้นของผมไม่มีมานดาบิดาเจ้าอย่าทำอย่างนี้ลูกธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้ตอนลักษณะเบญจกัละยาณีเขาถูกมานดาบิดาพูดรบเร้าอยู่จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้น ผมเมื่อได้หญิงสาวประกอบด้วยความงาม5้าอย่างก็จะทำตามของคุณพ่อคุณแม่มาดาปิดาก็ชื่อว่าความงาม5้าอย่างนั้นรแรงละพ่อบุตรชื่อบุญนานคะคือมีผมงามมีเนื้องามมีกระดูกงามมีผิวงามมีไวยงามก็ผมของหญิงผู้มีบุญมาก เป็นเช่นกับหางนกยุงรำปล่อยระชายผ้านุ่งแล้วก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่นี้ชื่อว่าผมงามริมฝีปากเช่นกับผลตําลึงสุกถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิท ด, ดีนี้ชื่อว่าเนื้องามฟันขาวเรียบไม่ห่างกันงดงามดุดระเบียบแห่งเพชร ที่เขายกตั้งขึ้นไว้และดุดระเบียบแห่งสังที่เขาขัดดีแล้วนี้ชื่อว่ากระดูกงามผิวพันของหญิงดำไม่ลูบไลด้วยเครื่องประเทืองผิวเป็นต้นเลยก็ดำสนิทประหนึ่งพวงอุบลเขียวของหญิงขาวประหนึ่งพวงดอกกันนิกานี้ชื่อว่าผิวงาม ก็แลหญิงแม้คลอดแล้วตั้งสิบครั้งก็เหมือนคลอดครั้งเดียวยังสาวพริ้งอยู่เทียวนี้ชื่อว่าวัยงามนังนี้แหละกระนั้นมานาบิดาของปุณณนะวัฒนกะุมารนั้นเชิญพรามร้อยแปดคนให้บริโภคแล้วถามว่าชื่อว่าหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยานีนี้มีอยู่หรือ พราหม์เหล่านั้นตอบว่ามีอยู่เซตีนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านพราหม์ทั้งแปดคนจงไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นป่านนี้หนังนี้แล้วก็ให้ซับเป็นอันมากแล้วสั่งว่าก็ในเวลาที่พวกท่านกลับข้าพเจ้าทั้งหลายจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่พวกท่านท่านทั้งหลายไปเถิด สแสวงหาเด็กหญิงแม้เห็นป่านนั้นและในเวลาที่พบแล้วพึ่งประดับพวงมาลัยทองคำนี้เนืองนี้แล้วก็ให้พวงมาลัยทองคำนั้นมีราคาแสนหนึ่งแล้วส่งไปปรามเหล่านั้นไปยังนครใหญ่สแสวงหาอยู่ไม่พบเด็กหญิงที่ตั้งด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี ามาถึงเมืองสาเกตโดยลําดับในวันมีงานนักขัตฤกษ์เกิดขึ้นจึงคิดกันว่าการงานของพวกเราคงสาเร็จในวันนี้ก็นเน่นะก่อนนั้นชื่อว่างานนั ก, กัตเกษย่อมเกิดมีประจําปีในการนั้นแม้ตระกูลที่ไม่ออกภายนอกก็ออกจากเรือนกับบริวารมีร่างกายไม่ได้ปกปิด ไปสู่ฝั่งแม่น้ำด้วยเท้าเทียวในวันนั้นถึงบุตรทั้งหลายของคติยะมหาศารเป็นต้นก็ยืนแอบลตทางนั้นๆด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะได้พบหญิงมีตรกูลที่พึงใจมีชาติเสมอด้วยตนจึงคล้องด้วยพวงมลาลัยตอนพรามพบนางวิสาขา ปราณแมเหล่านั้นเข้าไปถึงศาลาแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำแล้วได้ยืนอยู่ขณะนั้นนางวิสาขามีอายุย่างเข้า15้าถึงส6ปีประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ครบทุกอย่างอันเหล่ากุมารีห้าร้อยคนแวดล้อมแล้วคิดว่าเราจะไปยังแม่น้ำแล้วอาบน้ำ ถึงสถานที่นั้นแล้วครั้งนั้นแลเมฆตั้งขึ้นก็ยังฝนให้ตกเด็กหญิงห้าร้อคนรีบเดินเข้าไปสู่ศาลาพวกปรามพิจารณาดูอยู่ก็ไม่เห็นเด็กหญิงเหล่านั้นแม้สักคนเดียวที่ต้องด้วยลักษณะเบ้นจากกลยาทนี้นางวิสาขาก็าไปอย่างศาลา ด้วยการเดินตามปกตินั่นเองผ้าและอาพรเปียกโชกพวกปรามเห็นความงามสี่อย่างของนางแล้วพระสงฆ์จะเห็นฟันจึงกล่าวกับกันและกันว่าทิดาของพวกเราเป็นหญิงเฉวยชาสามีของหญิงคนนี้เห็นทีจะไม่ได้แม้เพียงข้าไปายเกลียนที่นั้นนางวิสาขา จึงพูดกับพรามเหล่านั้นว่าพวกท่านว่าใครกันพรามก็ว่าเธอนั่นแหละแม่ก็ได้ยินว่าเสียงอันไพเราะของนางเปล่งออกประหนึ่งเสียงกังสดานลําดับนั้นนางจึงถามพรามเหล่านั้นด้วยเสียงอันไพเราะอีกว่าเพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันพวกพราม หญิงบริวารของเธอไม่ให้ผ้าและเครื่องประดับเปียกรีบเข้าสู่ศาลากิจแม้เพียงการรีบมาสู่ที่ประมาณเท่านี้ของเธอก็ไม่ได้มีเธอปล่อยให้ผ้าและเครื่องอาภรเปียกมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงพากันว่าวิสาขาพ่อพรามทั้งหลายพวกท่านอย่าพูดอย่างนี้ ฉันแข็งแรงกว่าเด็กหญิงเหล่านั้นแต่ฉันกำหนดเหตุการณ์แล้วจึงไม่มาโดยเร็วพวกปรามเพราะเหตุไรเราแม่วิสาขาพ่อทั้งหลายชนสี่จำพวกเมื่อวิ่งย่อมไม่งามเหตุอันหนึ่งแม้อื่นอีกยังมีอยู่พวกปรามก็ชนสี่จำพวกเหล่าไห น, นเมื่อวิ่งย่อมไม่งามเราแม่วิสาขา พวกพระรามทั้งหลายพระราชาผู้อภิเสกแล้วทรงประดับประดาแล้วด้วยเครื่องอาพรต้องปวงเมื่อถกขเขมิวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามย่อมได้ความกระหาเป็นแน่นอนว่าทำไมพระราชาองค์นี้จึงวิ่งเหมือนกระดดีค่อยๆเสด็จไปนั่นแหละจึงจะงามแม้ช้างมงคลของพระราชา ประดับประดาแล้ววิ่งไปก็ไม่งามต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างจึงจะงามบันประชิดเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมได้แต่ความกระหาอย่างเดียวเท่านั้นว่าทำไมสมณะรูปนี้จึงวิ่งไปเหมือนเครือหัตแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างอาการของผู้สงบสงเงี่ยมสตรีเมื่อวิ่ง ก็ไม่งามย่อมถูกเขาตีเตียนอย่างเดียวว่าทำไมหญิงคนนี้จึงวิ่งเหมือนผู้ชายแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดาพราะทั้งหลายชนสี่จำพวกเหล่านี้เมื่อวิ่งไปย่อมไม่งามพวกปรามก็แล้วเหตุอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรเล้วแม่พิสากะพอทั้งหลาย ธ ร, รมดามาดาบิดาถนอมอวัยวะน้อยใหญ่เลี้ยงดูทิดาเพราะว่าพวกฉันชื่อว่าเป็นสิ่งของอันมานดาบิดาพึงขายมานดาบิดาเลี้ยงฉันมาก็เพื่อต้องการจะส่งไปสู่ตระกูลอื่นทว่าในเวลาที่พวกฉันวิ่งไปเหยียบชายผ้านุ่งหรือเลื่อนล้มลงบนพื้นดินมือหรือเท้าจะพึงหัก พวกฉันก็จะพึงเป็นภาระของตระกูลนั่นแลส่วนเครื่องแต่งตัวเปียกแล้วก็จะแห้งดิฉันกําหนดเหตุการณ์นี้จึงไม่วิ่งไปพวกปรามเห็นความถึงพร้อมแห่งฟันในเวลานางพูดจึงให้สาธุการแก่นางว่าความถึงพร้อมเช่นนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็กล่าวกับวิสาขาว่าแม่ พวงมาลัยนี้สมควรแก่เธอเท่านั้นหนึ่งนี้แล้วจึงได้คล้องพวงมาลัยทองนั้นให้ลาดับนั้นนางจึงถามพวกเขาว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านมาจากเมืองไหนพวกปรามมาจากเมืองสาวัตถีวิสาขะตระกูลเศรษฐีนั้นชื่ออะไรพวกปรามชื่อมิคารเศรษฐีแม่วิสาขะ บุตรของท่านเจ้าพระกุลชื่ออะไรพวกปรมชื่อปุณณวัฒนกุมารแม่นาวิสาขานั้นจึงรับรองว่าระกูลของเราเสมอกันดังนี้แล้วจึงส่งข่าวไปแก่ปิดาว่าขอคุณพ่อและคุณแม่จงส่งรถไปให้พวกดิฉันก็ในเวลามานั่งเดินมาก็จริงถึงอย่างนั้น จำเดิมแต่การที่ประดับด้วยมาลัยทองคำแล้วย่อมไม่ได้เพื่อจะไปเช่นนั้นเด็กทั้งหลายผู้มีอิสระย่อมไปด้วยยานมีรถเป็นต้นยิงนอกนี้ขึ้นยานธรรมดาไปกั้นชัดหรือใบตานข้างบนเมื่อชัดหรือใบตานแม้นั้นไม่มีก็ยกชายผ้านุ่งขึ้นมาพาดบนบาททีเดียว ส่วนบิดาของนางวิสาขานั้นทรงรถไป500รคันนางวิสาขานั้นกับบริวารขึ้นรถไปแม้พวกพราม์ก็ได้ไปด้วยกันที่นั้นท่านเศรษฐีถามพราหม์เหล่านั้นว่าพวกท่านมาจากไหนพวกปราหมมาจากเมืองสาวัตถีท่านมหาเศรษฐีตะนันใจเศรษฐี ก็เศรษฐีในที่นั้นชื่อว่าอย่างไรพวกปรามชื่อมิคาราเศรษฐีทนันชัยเศรษฐีบุตรของเขาชื่อว่าอย่างไรพวกปรามชื่อบุณนวัฒนกุมารทนันชัยเศรษฐีก็ทรัพย์ของเขามีเท่าไรพวกปราม 40. โกดท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีนั้นรับคำด้วยคิดว่า ซั์เท่านั้นเทียบซั์ของเราก็เท่ากับกากะนิกเดียวแต่จะประโยชน์อะไรด้วยเหตุอื่นจำเดิมแต่การที่นางตาริกาได้เหตุเพียงการรักษาเสถีนั้นทําสการะแก่พวกพรามเหล่านั้นแล้วให้พักอยู่สองวันแล้วก็ส่งกลับพวกเขาไปกรุงสาบถีแล้วเรียนมิคาระเศรษฐีว่า พวกข้าพเจ้าได้นางธาริกาแล้วมิกราเศรษฐีเขาเป็นลูกสาวของใครพวกปรามของธนัญชัยเศรษฐีมิกระเศรษฐีนั้นคิดว่านางธาริกาแห่งตระกูลใหญ่อันเราได้แล้วควรที่เราจะนํานางมาโดยเร็วทีเดียวนังนี้แล้วก็จึงกราบทูลแก่พระราชาเพื่อไปในเมืองนั้น พระราชาทรงดำรีว่าตระกูลใหญ่นั่นอันเรานำมาจากสำนักของพระเจ้าพิมพิสารแล้วให้อยู่อาศัยในเมืองสาเกตควรจะทำความยกย่องแก่ตระกูลนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งว่าแม้เราก็จะไปกับท่านด้วยเศรษฐีนั้นทูลรับคำของพระราชาแล้วก็ส่งข่าวไปบอกแก่ธนันชัยเศรษฐีว่า เมื่อข้าพระเจ้ามาแม้พระราชาก็จะเสด็จมาผลของพระราชามีมากท่านจะอาจเพื่อทำกิจที่ควรทำแก่ชนประมาณเท่านั้นหรือไม่อาจฝ่ายทนชัยเศรษฐีจึงได้ส่งข่าวต่อไปว่าแม้ถ้าพระราชาจะเสด็จมาสักสิบพระองค์ก็ขอจงเสด็จมาเถิดมิกระะเศรษฐีเว้นเพียงคนเฝ้าเรือน พาเอาคนที่เหลือในอนครใหญ่ถึงเพียงนั้นไปหยุดพักในหนทางกึ่งโยธแล้วส่งข่าวไปว่าพวกข้าพเจ้ามาแล้วตอนทนัญชัยเศรษฐีกับทิดาจัดสถานที่ต้อนรับทนัญชัยเศรษฐีทรงเรื่องบรรณาการไปเป็นอันมากแล้วปรึกษากับทิดาว่าแม่ได้ยินว่า พ่อผัวของเจ้ามากับพระเจ้าโกศลเราควรจัดเรือนหลังไหนสำหรับพ่อผัวของเจ้านั้นหลังไหนสำหรับพระราชาหลังไหนสำหรับอิสระชนมีอุปราชเป็นต้นเศรษฐีที่ดาผู้ฉลาดมียานเฉียบแหลมดุดยอดเพชรตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับสมบูรณ์แล้วด้วยอภินิหารจึงจัดแจงว่า ท่านทั้งหลายจงจัดแจงเรือนหลังโน้นเพื่อพ่อผัวของเราหลังโน้นเพื่อพระราชาหลังโน้นเพื่ออุปราชเป็นต้นดานี้แล้วให้เรียกทาดและกรรมกรมาใชยการว่าพวกท่านเท่านี้คนจงทากิจที่ควรทาแก่พระราชาเท่านี้คนจงทากิจที่ควรทาแก่อุปราชเป็นต้นพวกท่านนั่นแล จงดูแลแม้สัตว์พาหนะมีช้างและม้าเป็นต้นแม้คนปลูกม้าเป็นต้นมาถึงแล้วจะได้ชมมหรสพในงานมงคลถามว่าเพราะเหตุไรนางจึงจัดอย่างนั้นตอบว่าเพราะคนบางคนอยาได้เพื่อพูดว่าเราไปสู่ที่มงคลแห่งนางวิสาขาไม่ได้อะไรเลย ทำแต่กิจมีการเฝ้าม้าเป็นต้นไม่ได้เที่ยวตามสบายตอนเครื่องประดับมหาลดาประสาทในวันนั้นแหละบิดาของนางวิสาขาให้เรียกช่างทองมาห้าร้อยคนแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงทาเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทแก่ธิดาของเราดังนี้แล้ว สั่งให้ให้ทองคํามีสีสุกพันเล่มและเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานและเพชรเป็นต้นพอสมกับต่องนั้นพระราชาประทับอยู่สองถึงสมวันแล้วทรงส่งข่าวไปแก่ตนัญชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีไม่สามารถทำการเลี้ยงดูพวกเราได้ขอเศรษฐีจงรู้การไป แห่งนางทาริกาเถิดไฟเศริีนั้นจึงส่งข่าวไปทูลพระราชาว่าบัดนี้การฝนมาถึงแล้วใครๆไม่ควรเพื่อเที่ยวไปตลอดสเดือนได้การที่หมู่พลของพระองค์ได้วัตถุดใดๆจึงสมควรวัตถุนั้นๆทั้งหมดเป็นภาระของข้าพระองค์พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพจะเสด็จไปได้ ในเวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จเดิมๆแต่การนั้นนักขรสาเกตได้เป็นนักขราเ่ากับมีนักสัตว์เป็นนิดวัตถุมีพวงดอกไม้ของหอมและผ้าเป็นต้นเป็นของอันเศรษฐีจัดแล้วแก่ชนทั้งหมดตั้งแต่พระราชาแหลกช่วยเหล่านั้นคิดกันว่าเศรษฐีทสาสการะแก่พวกเราถ่ายเดียว สามเดือนล่วงไปแล้วโดยอาการอย่างนี้ส่วนเรื่องประดับก็ยังไม่เสร็จก่อนผู้ควบคุมงานมาแจ้งแก่เศรษฐีว่าสิ่งอื่นที่ชื่อว่าไม่มีก็หาไม่แต่ฟืนสำหรับหุงต้มพัดเพื่อหมู่พลไม่พอเศรษฐีจึงกล่าวว่าพ่อทั้งหลายไปเถิดท่านจงรื้อเอาโรงช้างเก่าๆ เ, เป็นต้น และเรือนเก่าในนครนี้หุงต้มเถิดแม้เมื่อหุงต้มอยู่อย่างนั้นครึ่งเดือนล่วงไปแล้วลำดำันั้นผู้ควบคุมงานมาแจ้งแก่ท่านเศรษฐีอีกว่าฟืนไม่มีเศรษฐีกล่าวว่าใครๆไม่อาจได้ฟืนในเวลานี้พวกท่านจงเปิดเรือนคลังผ้าทั้งหลายแล้วเอาผ้าเนื้อหยาบทำเกลียว ชุบลงในตุ่มน้ำมันหุงต้มพัดเถิดชนเหล่านั้นได้ทำการอย่างนั้นตลอดกึ่งเดือนสี่เดือนล่วงไปแล้วด้วยอาการอย่างนี้แม้เครื่องประดับก็เสร็จแล้วในเครื่องประดับนั้นประกอบด้วยเพชรสีธนานแก้วมุกดาสิเทเธนานแก้วประพานยี่สิบธนาน แก้มณี33มทนานเครื่องประดับนั้นได้ถึงความสําเร็จด้วยรัตนะเหล่านี้และเหล่าอื่นด้วยประการชนีเครื่องประดับไม่สําเร็จด้วยได้การงานที่ทํำด้วยได้เขาทําแล้วด้วยเงินเครื่องประดับนั้นสวมสีสัดแล้วย่อมจดลงหลังเท้าลูกดุมที่เขาประกอบ ำเป็นแหวนในที่นั้นๆทำด้วยทองหวงทำด้วยเงินแหวนวงหนึ่งที่ท่ามกลางกระมม่หลังหูทั้งสองสองวงที่หลุมคอหนึ่งวงที่ข่าวทั้งสองสองวงที่ข้อศอกทั้งสองสองวงที่ข้างเสีเอวทั้งสองสองวงดังนี้ก็ในก็เรื่องประดับนั้นแล เขาทำนกยูงตัวหนึ่งไใบขนปีกทำด้วยทองห้าร้อยขนได้มีที่ปีกเบื้องขวาแห่งนกยูงนั้นห้าร้อยขนได้มีที่ปีกเบื้องซ้ายจะงอยทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแววหางก็เหมือนกันก้านขนทำด้วยเงินขาก็เหมือนกัน นกยูงนั้นสถิตยอยู่ท่ามกลางกระหม่อมแห่งนางวิสาขาปรากฏประหนึ่งนกยูงยืนรำแพนอยู่บนยอดเขาเสียงแห่งก้านนกปีกพันหนึ่งเป็นใบ ป, ประหนึ่งทิพปะยะสังกีตะและประหนึ่งเสียงเกือกก้องแห่งดนตรีประกอบทุ่งองค์ห้าจนทั้งหลายผู้เข้าไปสู่ที่ใกล้เท่านั้น ย่อมทราบว่านกอยู่นั้นไม่ใช่นกอยู่จริงเรื่องประดับมีค่า9โกรท่านเศรษฐีให้ค่าทำหัตกรรมคือค่ากำเน็ตแสนหนึ่งตอนหญิงถวายจีวรย่อมได้มหาลดาประสาทถามว่าก็เรื่องประดับนั้นอนานางวิสาขานั้นได้แล้วเพราะผลแห่งกรรมอะไร แกว่าได้ยินว่าในการแห่งพระกัสส ป, ปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้งถวายจีวรสาดกแก่ภิกษุสองหมื่นรูปแล้วได้ถวายได้บ้างเข้มบ้างเรื่องย้อมบ้างซึ่งเป็นของตนนั่นเองนั่งได้แล้วซึ่งเครื่องประดับนี้เพราะผลแห่งจีวรทานนั้นก็จีวรทาน ของหญิงทั้งหลายย่อมมีผลสูงสุดด้วยเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทจีวรทานของบุรุษทั้งหลายย่อมมีผลสูงสุดด้วยบาศและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ตอนเศรษฐีจัดตยธรรมให้หนางวิสาขามหาเศรษีทำการตราเตรียมเพื่อธิดา โดยสี่เดือนอย่างนั้นแล้วเมื่อจะให้ทายธรรมแก่ที่ด่า น, นั้นได้ให้เกวียนเต็มด้วยกระหาปะนะห้าร้อยเล่มได้ให้เกวียนเต็มด้วยภาชนะทองคำห้าร้อยเล่มเต็มด้วยภาชนะเงินห้าร้อยเล่มเต็มด้วยภาชนะทองแดงห้าร้อยเล่มเต็มด้วยภาชนะสัมฤทธิ์ห้าร้อยเล่ม เต็มด้วยผ้าได้ผ้าไหมห้าร้อยเล่มเต็มด้วยเนยใส่ห้าร้อยเล่มเต็มด้วยน้ำมันห้าร้อยเล่มเต็มด้วยน้ำอ้อยห้าร้อยเล่มเต็มด้วยข้าวสารแห่งข้าวสาลีห้าร้อยเล่มเต็มด้วยเครื่องอุปกรณ์มีถและผานเป็นต้นห้าร้อยเล่มได้ยินว่าความคิด อย่างนี้ได้มีแกตันนชัยเศรษฐีนั้นอย่างนี้ว่าก็ในที่แห่งทิดาของเราไปแล้วนางยาได้ส่งคนไปสู่ประตูรเรือนของคนอื่นว่าเราต้องการด้วยวัตถุชื่อนอนทนเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีจึงได้สั่งให้ให้เครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างแก่ธิดาของตนมหาเศรษฐีได้ให้รถ 500คันตั้งนางสาวใช้ผู้รูปงามผู้ประดับด้วยเครื่องรังการพร้อมศัพท์ไว้บนรถคันละสามคนสามคนได้ให้นางปริจาริกา 1,500 คนด้วยสั่งว่าพวกเจ้าเท่านี้คนจงให้ทิดาของรา อ, อาบเท่านี้คนให้บริโภคเท่านี้คนแต่งตัวเที่ยวไป ดังนั้นมหาเศรษฐีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้โคโกแก่ธิดาของเราท่านจึงสั่งบุุษว่าพวกท่านจงไปจงเปิดประตูคอกน้อยแล้วยืนถือกลองสามใบอยู่ในที่สามคาวุธยืนอยู่ที่ข้างทั้งสองในที่ประมาณหนึ่งอุสภพะโดยส่วนกว้าง จากนั้นจงอย่าให้แม่โคทั้งหลายไปที่อื่นพึงตีกลองสัญญาณในเวลาแม่โคหยุดแล้วอย่างนี้บรุษเหล่านั้นได้ทำอย่างนั้นแล้วเวลาแม่โคออกจากอกได้หนึ่งขาวุธพวกเขาได้ตีกลองสัญญาณขึ้นในเวลาแม่โคไปได้กึ่งโยศก็ได้ตีกลองสัญญาณอีกแต่ในเวลาแม่โคไปได้สามคาวุธ พวกเขาได้ห้ามการไปโดยส่วนกว้างอีกแม่โกทั้งหลายได้ยืนเบียดกันและกันในที่ยาวประมาณสามข่าวุธกว้างประมาณหนึ่งอุสาพะด้วยประการอย่างนี้มหาสศยตีสั่งให้ปิดประตูคอกด้วยคำว่าโคเท่านี้พอแล้วแกท่ทิดาของข้าพเจ้าพวกเจ้าจงปิดประตูเถิด เมื่อเขาปิดประตูคล อ, อกแล้วเพราะผลบุญของนางวิสาขาโคตัวมีกําลังและแม่โคโนมทั้งหลายก็กระโดดออกไปเมื่อพวกมนุษย์ห้ามอยู่นั่นแลโคตัวมีกําลัง6กห0 0่นตัวและแม่โคโนม6กห0 0่นตัวออกแล้วและลูกโคมีกําลังมีจํานวนเท่านั้นก็ออกไปแล้ว โอโคอุสะพะของแม่นมเหล่านั้นก็ได้ติดตามไปแล้วถามว่าโคทั้งหลายไปแล้วอย่างนั้นเพราะผลแห่งกรรมอะไรแก่ว่าเพราะผลแห่งทานที่นางวิสาขาถวายแล้วแก่พิกสูตรหนุ่มและสามเณรผู้ห้ามอยู่ผู้ห้ามอยู่ได้ยินว่าในการแห่งพระกัสสปะ สัมมาสัมพุทธเจ้านางเป็นน้องสุดทองของธิดาทั้งเจ็ดของพระเจ้ากิกิมีพระนามว่าสังฆ า, าสีเมื่อถวายเบญจโครถทานแก่ภิกษุสองหมืนรูปแม้เมื่อภิกษุหนุ่มและสา ม, มเณรปิดบาทห้ามอยู่ว่าพอแล้วพอแล้วก็ยังรับสั่งว่านี่อร่อยนี่น่าทาน แล้วได้ถวายอีกเพราะผลแห่งกรรมนั้นโคเหล่านั้นแม้เขาห้ามอยู่ก็ออกไปแล้วอย่างนั้นในเวลาที่เศรษฐีให้ทรัพย์เท่านี้แกท่ทิดาแล้วภรรยาของตนันชัยเศรษฐีได้พูดว่าก็ทุกสิ่งอันท่านจัดแจงแล้วแก่ธิดาของเราแต่คนใช้ชายหญิงผู้ทำการรับใช้ ท่านไม่ได้จัดแจงข้อนั้นพระเหตุไรท่านชัยเศษรษฐีชิงตอบว่าที่เราไม่จัดแจงเพื่อรู้คนผู้มีความรักและชังในที่ดาของเราเพราะเราจะจับคอพวกที่ไม่ไปกับที่ดานั้นส่งไปไม่ได้แต่ในเวลาจะขึ้นยานไปนั่นแหละเราจะพูดว่าใครอยากไปกับนางวิสาขานั่นก็จงไป ผู้ไม่อยากไปก็อย่าไปดังนี้ตอนโอวาท10ข้อของเศรษฐีลำดับนั้นเศรษฐีมีความคิดว่าธิดาของเราจะไปนในพรุ่งนี้เขานั่งในห้องให้ธิดานั่งในที่ใกล้และให้โอวาทว่าแม่ธรรมดาหญิงผู้อยู่ในสกุลผัว รักษามารยาทนี้และนี้จึงควรก็แม้มีกรรเศรษฐีนั่งอยู่ในห้องถัดไปได้ยินโอวาทของธนัญชัยเศรษฐีแล้วฝ่ายธนัญชัยเศรษฐีนั้นได้ให้โอวาทกับทิดาอย่างนี้ว่าแม่ธรรมดาหญิงที่อยู่ในสกุลพ่อปัวแม่ผัวไม่ควรนำไฟภายใน ออกไปภายนอกไม่ควรนำไฟภายนอกเข้าไปภายในพึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้พึงนั่งให้เป็นสุขพึงบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไฟพึงนอบน้อมเทวดาภายในครันให้โอวาท สิบข้อนงนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นเรียกประชุมเสนาทั้งหมดแล้วจึงเอากุกุมพีแปดคนให้เป็นคู่คำประกันในท่ามกลางราชเสนาแล้วกล่าวว่าถ้าโทษเกิดขึ้นแกท่ทิดาของเราในที่ที่ไปแล้วพวกท่านปึงจำระนงนี้แล้วประดับทิดาด้วยเครื่องประดับชื่อมหาลดาประศาท ซึ่งมีค่าได้เก้าโกรให้ซับห้าสิบสี่โกรธเป็นค่าจุนสำหรับอาบให้ขึ้นสู่ยานแล้วให้คนเที่ยวตีกลองประกาศในบ้านสวยสิบสี่ตำบลอันเป็นของตนเท่าอนุราทาบุรีราเมืองสาเกตว่าชนผู้อยากไปกับที่ดาของเราก็จงไปชาวบ้านสิบสี่ตำบล พอได้ยินเสียงจึงออกไปไม่เหลือใครใเลยโดยคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราในที่นี้ในเวลาที่แม่เจ้าของเราไปเสียฝ่ายท น, นชัยเศรษฐีทำสักการะแก่พระราชาและมิคราเศรษฐีแล้วก็ตามไปส่งทิดากับคนเหล่านั้นหน่อยหนึ่งมิคราเศรษฐี นั่งในยานน้อยไปข้างหลังยานทั้งหมดเห็นหมู่ผลแล้วจึงถามว่านั่นพวกไหนพวกคนใจทั้งหลายนั่นเป็นทาตหญิงทาตชายผู้รับใช้ของหญิงสะพ้าของท่านมีกราเสตีใครจะเลี้ยงดูคนจํานวนเท่านั้นได้พวกท่านจงโบยคนพวกนั้นแล้วไล่ให้หนีไปจงฉุดพวกที่ไม่หนีออกจาก ที่นี้นางวิสาขากล่าวว่าหลีกไปอย่าห้ามพนนั่นแลดิฉันจะให้พัดแก่พวกคนนั้นแม้เมื่อนางกล่าวอย่างนั้นไม่คาราเสติก็ยังกล่าวว่าแม่เราไม่มีความต้องการด้วยชนเหล่านั้นใครจะเลี้ยงคนเหล่านี้ได้ในนี้แล้วจึงให้โบยด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น ไล่ให้หนีไปแล้วพาพวกที่เหลือไปด้วยคิดว่าเราพอละด้วยคนจำนวนเท่านี้ตอนนางวิสาขาถึงกรุงสาวัถีครั้นเวลาถึงประตูนครสาวัถีนางวิสาขากิดว่าเราจะนั่งในยานที่ปกปิดเข้าไปหรือหนอหรือจะยืนบนรถเข้าไปที่นั้น นางได้ตกลงใจอย่างนี้ว่าเมื่อเราเข้าไปด้วยยานที่ปกปิดความวิเศษแห่งเครื่องประดับชื่อมหาละดาประสาทจะไม่ปรากฏนางจึงยืนบนรถแสดงตนแก่ชาวนครทั้งสิน้นเข้าไปสู่นครแล้วเจ้ากรุงสาวัตถีเห็นสมบัติของนางวิสาขาแล้วจึงพูดกันว่าในยะว่าหญิงนั่น ชื่อวิสาขาสมบัติเห็นปานนี้จึงสมควรแก่นางแท้วิสาขานั้นเข้าไปสู่รื่นของเศรษฐีด้วยสมบัติเป็นนันมากด้วยบริการชนี้ก็ในวันที่นางมาถึงชาวนครทั้งสิน้นได้ส่งบรรณาการไปตามกำลังด้วยคิดว่าธ น, นชัยเศรษฐีได้ทำสักการะมากมายแก่พวกเรา พูถึงนักการแก่ตนนางวิสากาได้ให้ให้บรรณัการที่เขาส่งมาแล้วส่งมาแล้วทําให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างในตระกูลอื่นๆในนักการนั้นนั่นแหละนางกล่าวด้วยคําเป็นที่รักเมาแก่วัยของคนเหล่านั้นเหล่านั้นว่าท่านจงให้สิ่งนี้แก่คุณแม่ของฉันจงให้สิ่งนี้แก่คุณพ่อของฉันจงให้สิ่งนี้แก่พี่ชาย น้องชายของฉันจงให้สิ่งนี้แก่พี่สาวน้องสาวของฉันนั่นนี้แล้วก็ได้ส่งบรรณาการไปได้ทำชาวนากรทั้งหมดให้เป็นเหมือนพวกญาติด้วยประการชนนีต่อมาในระหว่างตอนกลางคืนนางลาตัวเป็นแม่มาอาชาในาของนางได้ตกลูกนางให้พวกทาสี ถือประทีปด้ามปไปในที่นั้นแล้วอย่างนางลาให้อาบด้วยน้ำอุ่นให้ทาด้วยน้ำมันแล้วได้ไปสู่ที่อยู่ของตนตามเดิมมิกราเศรษฐีเมื่อทำอาวาหะมงคลของบุตรไม่ได้คำนึงถึงพระตถาคตแม้ประทับอยู่ในวิหารที่ใกล้กันอันความรักที่ตั้งอยู่เฉพาะในพวกสมณพเลย สิ้นกาลนานจึงมีความคิดว่าเราจะทำส ก, การะแม้แก่พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนี้แล้ววันหนึ่งจึงให้คนหุงข้าวประยาดคน้นบรรจุในภาชนะใหม่หลายร้อยสำรับให้นิมนต์พวกอาเจละกะคือผู้ถือลทัทธิเปลือยกายจำนวนห้าร้อยคนเชิญเข้าไปในเรือนแล้ว จึงส่งข่าวแก่นางวิสาขาว่าสบายของฉันจงมาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายนางเป็นอริยสาวิกาผู้โสดาบันพอได้ยินคาว่าอารหันต์ก็เป็นผู้ร่าเริงยินดีมาสู่ที่บริโภคแห่งอเจรกะเหล่านั้นแลดูอเจรกะเหล่านั้นแล้วคิดว่าผู้เว้นจากฮิริโอตปะเห็นป่านนี้ ย่อมชื่อว่าพระรานไม่ได้เหตุไรพ่อผัวจึงให้เรียกเรามาจึงตีเตียนเศรษฐีแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนตามเดิมพวกเอเจรกะเห็นอาการของนางวิสาขานั้นแล้วจึงตีเตียนเศรษฐีโดยเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดว่าข้นพเจ้าถ้าไม่ได้หญิงอื่นแล้วหรือจึงให้นางสาวิกาของสมนัโคดม ซึ่งเป็นนางกาลกินีตัวสำคัญเข้ามาในที่นี้จงให้ขับไล่นางออกจากเรือนนี้โดยเร็วเสธีนั้นมีความคิดว่าเราไม่อาจให้ขับไล่ออกไปด้วยเหตุเพียงถ้อยคำของท่านเหล่านี้เท่านั้นนางเป็นทิดาของสกุลให ญ, ญ่นีน่แล้วจึงกล่าวว่ า, ราพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายธรรมดาเด็กก็รู้บ้างไม่รู้บ้างพึงทา ท่านทั้ทงหลายพึงนิ่งเสเถิดจึงส่งเจรกะเหล่านั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะมีค่ามากบริโภคข้ามาัตุปายาตมีน้ำน้อยในถาดตองกําในสมัยนั้นพระเถระผู้ถือการเที่ยวบินดบาบเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินดบาบได้เข้าไปสู่เรือนหลังนั้นแล้วนาวิสาขา ยืนพัดพ่อผัวอยู่เห็นพระเตระรูปนั้นจึงคิดว่าการบอกพ่อผัวไม่ควรจึงได้เลี่ยงออกไปยืนโดยอาการที่พ่อผัวนั้นจะเห็นพระเตระได้แต่เศรษฐีนั้นเป็นคนพานแม้เห็นพระเตระก็แกล้งทำเป็นเหมือนไม่เห็นก้มหน้าบริโภคอยู่นั่นเองตอนนางวิสาขา ติพ่อผัวว่าบริโภคของเก่าในวิสาขารู้ว่าพ่อผัวของเราแม้เห็นพระเตระก็ไม่เอาใจใส่ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่านิมนต์พระกุณฑาไปข้างหน้าเถิดพ่อผัวของที่ฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีนั้นแม้อดกลั่นได้ในเวลาที่พวกนิกรนบอก แต่ในขณะที่นางวิสาขากล่าวว่าบริโภคของเก่านั่นเองก็วางมือแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนำข้าพระญาตนี้ไปเสียจากที่นี้จงขับไล่นางนั้นออกจากเรือนนี้นางคนนี้ทำให้เราเป็นผู้ชื่อว่าเกี้ยวกลิ่นของไม่สะอาดในการมงคลเช่นนี้ก็แลท่านและกรรมกรทั้งหมดในเรือนนั้น ล้วนเป็นคนของนางวิสาขาจึงไม่อาจจะเข้าใกล้ใครจักจับนางที่มือหรือที่เท้าแม้ผู้สามารถกล่าวด้วยปากก็ไม่มีนางวิสาขาฟังคำของพ่อปัวแล้วกล่าวว่าคุณพ่อดิฉันจะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้คุณพ่อไม่ได้นำฉันมาเหมือนนำนางกลุ่มผ้าทาสีมาแต่ท่าน้ำ ธรรมดาทิดาของมานดาบิดาผู้ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นแลในเวลาจะมาที่นี้คุณพ่อของดิฉันจึงให้เรียกกุกุมพีแ8ดคนมาโลดพูดว่าถ้ามีโทษเกิดขึ้นแกท่ทิดาก็มอบดิฉันไว้ในมือของกุกุมพีเหล่านั้นคุณพ่อจงให้เรียกท่านเหล่านั้นมาแล้วให้ชำระโทษของดิฉันเถิด มิกรเศรษฐีนั้นคิดว่านางวิสาการนี้พูดดีจึงให้เรียกกุกุมผีทั้งแปดคนมาแล้วบอกว่านางทร า, าริกานี้ว่าฉันผู้นั่งรับประทานข้าวประยาศมีน้ำค้นในถาดทองคาในงานมงคลว่าผู้กินของไม่สะอาดพวกท่านยกโทษนางวิสาการนี้ขึ้นแล้วจงข่านางนี้ออกจากเรือนี้กุกุมพี แม่ทราบว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นหรือหนวิสากาฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เมื่อพระเถระผู้ถือการเที่ยวบินาบาตเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูพ่อผัวของฉันกำลังรับประทานข้าวมัธุปยาตมีน้ำน้อยไม่ใส่ใจถึงพระเถระนั้นฉันคิดว่าพ่อผัวของเราไม่ทำบุญในอัตภาพนี้ บริโภคแต่บุญเก่าเท่านั้นจึงได้พูดว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพ่อผัวกองที่ฉันกำลังบริโภคของเก่าโทษอะไรของที่ฉันจะมีในพระเหตุนี้เล่ากุคุมพีท่านไษตีโทษในพระเหตุนี้ไม่ได้มีทิดาของข้าพเจ้ากล่าชอบเหตุไรท่านจึงโกรธมิกราเศรษฐีท่านทั้งหลาย ทษอันนี้เป็นอันพ้นไปก่อนแต่วันหนึ่งในมัชิมยามนางวิสาขานี้อันคนใช้ชายหญิงแวดล้อมแล้วได้ไปหลังเรือนกุกุมบีทั้งหลายจึงกล่าวว่าแม่นางวิสาขาทราบว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นหรือนางวิสาขาขอทั้งหลายที่ฉันไม่ได้ไปเพราะเหตุอื่นก็เมื่อนางลา แม่ม้าอาชาในตกลูกแล้วใกล้ออกเรือนนี้ดิฉันคิดว่าการที่นั่งเฉยไม่เอาเป็นทุระเฉยเลยไม่ควรจึงให้คนถือประทีปด้ามไปกับพวกหญิงคนใช้ให้ทำการบริหารแก่แม่ลาที่ตกลูกแล้วในเพราะเหตุนี้ดิฉันจะมีโทษอะไรพวกกุกุมปีท่านมีคุณสติธิดาของพวกข้าพเจ้า ทำกรรมแม้พวกหญิงคนใช้ไม่พึงทำในเรื่องของท่านท่านยังเห็นโทษอะไรในพระเหตุ น, นี้อีกตอนอธิบายโอวาทสิบขอ้อมิกราเศรษฐีกล่าวว่าท่านทหลายแม้ในเรื่องนี้จะไม่มีโทษก็ช่างเถอะแต่ว่าบิดาของนางวิสาขานี้เมื่อกล่าวสอนนาวิสาขานี้ในเวลาจะมาที่นี้ ได้ให้โอวาสสิบข้อซึ่งลี้ลับปิดบังเราไม่ทราบเนื้อความแห่งโอวาดนั้นนางจงบอกเนื้อความแห่งโอวาดนั้นแก่เราก็บิดาของนางนี้ได้บอกว่าไฟในไม่พึงนําออกไปภายนอกพวกเราอาจหรือหนอเพื่อจะไม่ให้ไฟแก่เรือนคุ้นเคยทั้งสองฝ่ายแล้วอยู่ได้กุกุมพีทั้งหลายแม่นางวิสาขา ทราบว่าข้อนั้นจริงอย่างนั้นรึอวิสาขาพ่อทั้งหลายคุณพ่อก่อนที่ฉันไม่ได้พูดหมายความดังนั้นแต่ได้พูดหมายความดังนี้ว่าถ้าข้าพเจ้าเห็นโทษของแม่ผัวพ่อผัวและสามีของข้าพเจ้าแล้วอย่าเฝ้ากล่าวณนะภายนอกคือในเรือนนั้นๆเพราะว่าขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟชนิดนี้ ยอมไม่มีมิกราเศรษฐีกล่าวว่าท่านทั้งหลายข้อนี้จงโยกไว้ก่อนก็บิดาของนางวิสาขายังกล่าวอีกว่าไฟแต่ภายนอกไม่ปึงให้เข้าไปในภายในพวกเราอาจเพื่อจะไม่ไปนำไฟมาจากภายนอกหรือในเมื่อไฟในเรือนดับไปกุกุมพีแม่นางวิสาขาทราบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นหรือ ในวิชาขารพ่อทั้งหลายคุณพ่อของที่ฉันไม่ได้พูดหมายความดังนั้นแต่ได้พูดหมายความดังนี้ว่าถ้าหญิงหรือชายทั้งหลายในบ้านใกล้เรือนเคียงของเจ้าพูดถึงโทษของแม่ผัวพ่อผัวและสามีแล้วเจ้าอย่านำเอาคำที่ชนพวกนั้นพูดแล้วมาพูดต่ออีกคนชื่อนอน้น พูดยกโทษอย่างนี้ของท่านทั้งหลายเพราะขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟนั่นย่อมไม่มีนาวิสาขาได้พลนโทษเพราะเหตุนี้อย่างนี้ก็นางพนโทษในเพราะเหตุนี้ฉันใดแม้ในคำที่เหลือนางก็ได้ผลโทษฉะ น, นั้นเหมือนกันก็ในโอวาทเหล่านั้นพึงทราบคำอธิบายอย่างนี้ว่า ก็คำที่บิดาสอนนางว่าเจ้าควรให้แกชนทั้งหลายที่ให้เท่านั้นเจตีหมายเอาถึงเนื้อความนี้ว่าควรให้แกคนที่ถือเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้วส่งคืนเท่านั้นแม้คาว่าไม่ควรให้แกคนที่ไม่ให้นี้เจตีหมายความว่าไม่ควรให แกผู้ที่ถือเอาเกื่ยงกอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้วไม่ส่งคืนก็แลกคำว่าควรให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้นี้เชทีหมายความว่าเมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแล้วชนเหล่านั้นจะคืนหรือไม่อาจคืนก็ตามให้แก่ญาติและมิตรเหล่านั้นนั่นแหละย่อมกวรหม้คําว่า พึงนั่งให้เป็นสุขนี้เฉตีหมายความว่าการนั่งในที่ที่เห็นแม่ผัวพ่อผัวและสามีแล้วจะต้องลุกขึ้นไม่ควรชวนคําว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนี้เฉตีหมายความว่าการไม่บริโภคก่อนแม่ผัวพ่อผัวและสามีเลี้ยงดูท่านเหล่านั้นรู้สิ่งที่ท่านเหล่านั้น ทุกทุกคนได้แล้วหรื อ, อยังไม่ได้แล้วตนเองบริโภคที่หลังจึงจะควรคำว่าพึงนอนให้เป็นสุขนี้เศรษฐีข่าวหมายความว่าไม่พึงขึ้นที่นอนนอนก่อนแม่ผัวพ่อผัวและสามีควรทำวัดปฏิบัติที่ตนควรทำแก่ท่านเหล่านั้นแล้วตนเองนอนที่หลังจึงควรชวนคาว่าพึงบำเบลไยนี้ รันชัยเศรษฐีกล่าวหมายความว่าการเห็นทั้งแม่ผัวพ่อผัวและสามีให้เป็นเหมือนกองไฟและเหมือนประยานาคจึงกวนแม้กับว่าอึ่งนอบน้อมเทวดาภายในนี้รันชัยเศรษฐีกล่าวหมายความว่าการเห็นแม่ผัวพ่อผัวและสามีให้เป็นเหมือนเทวดาจึงสมกวร ส่วนมิกรเศรษฐีได้ฟังเนื้อความแห่งโอว่าสิบข้อนี้อย่างนั้นแล้วไม่เห็นคำโตเถียงได้นั่งก้มหน้าแล้วครนั้นกุกุมพีทั้งหลายถามมิกรเศรษฐีนั้นว่าท่านเศรษฐีโทษแม้อย่างอื่นแห่งทิดาของพวกข้าพเจ้ายังมีอยู่อีกรึมิกระเศรษฐีไม่มีแล้วท่านกุกุมพี เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรท่านจึงให้ขับไล่นางผู้ไม่มีความผิดออกจากเรือนโดยไม่มีเหตุเล่าตอนมิกราเศรษฐีขอโทษนางวิสาขาเมื่อกุกุมพีทั้งหลายพูดอย่างนี้แล้วนางวิสาขาได้พูดว่าพ่อทั้งหลายการที่ดิฉันไปก่อนตามคำของพ่อผัวไม่สมควรก็จริง แต่ในเวลาจะมาคุณพ่อของดิฉันได้มอบดิฉันไว้ในมือของพวกท่านเพื่อต้องการชำระโทษของดิฉันก็ความที่ดิฉันไม่มีโทษท่านทั้งหลายทราบแล้วบัดนี้ดิฉันควรไปได้ดันงนี้แล้วจึงสั่งคนใช้ยหญิงชายทั้งหลายว่าพวกเช่าจงให้ช่วยกันจัดแจงพานะมียานเป็นต้นที่นั้น มิกราเสตีจึงได้ยึดกุคุมพีเหล่านั้นไว้แล้วกล่าวกับนางว่าแม่ฉันไม่รู้พูดไปแล้วยกโทษให้ฉันเถิดนาวิสาขาคุณพ่อดิฉันยกโทษที่ควรยกให้แก่คุณพ่อได้โดยแท้แต่ดิฉันเป็นทิดาของตระกูลผู้มีความเลื่อมใสอันไม่ง่อนเงนในพระพุทธศาสนาพวกดิฉันเว้นภิกษุสงแล้ว เป็นอยู่ไม่ได้หาทดิฉันได้เพื่อบำรุงพิสุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉันดิฉันจึงจะอยู่มีกระเศรษฐีแม่เจ้าจงบำรุงพวกสมณักของเจ้าตามความพอใจเธอนางวิสาขาจึงได้ให้คนไปทูล น, นิมนต์พระทศพลแล้วเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่นิเวศในวันรุ่งขึ้น ไปพวกสมณบเรยได้ยินว่าพระาศาสดาเสด็จไปยังเรือนของมิคราเศรษฐีจึงไปนั่งล้อมเรือนไว้ในวิสาขาถวายนา้ำทักษีโนโทกแล้วส่งข่าวไปว่าดิฉันตกแต่งเครื่องสักราระทั้งปวงไว้แล้วเชิญพ่อปัวของดิฉันมาอังค่าพระทศมนเถิดครั้งนั้นพวกอาชีวะกะห้ามมิคราเศรษฐี ผู้อยากจะมาอยู่ว่าข้าพเดีท่านอย่าไปสู่สำนักของพระสมณโคดมเลยเษธีจึงส่งข่าวไปว่าสไบของฉันจงอังคาดเองเถิดนางวิสาขาจึงอังคาดเกือตวายของในพิสูจสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจึงได้ส่งข่าวไปอีกว่าเชิญพ่อผัวของที่ฉัน มาฟังธรรมกถาเถิดที่นั้นเศรษฐีจึงมีความคิดว่าชื่อว่าการไม่ไปคราวนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งจึงได้กำลังจะไปเพราะความที่ตนอยากฟังธรรมพวกอาชีวกะเหล่านั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีนั้นว่าถ้ากระนั้นเมื่อท่านฟังธรรมของพระสมณโกดมจงนั่งฟังภายนอกม่านนันี้แล้ว พวกอาชีวะกะจึงล่วงหน้าไปก่อนเศรษฐีนั้นแล้วก็กั้นม่านไว้เศรษฐีไปนั่งในภ้ายนอกม่านพระาศาสดาจึงตรัสว่าท่านจงนั่งนอกม่านก็ตามที่ฝาเรือนคนหนึ่งก็ตามฟากภูเขาหินน้อยก็ตามฟากจักรวาล น, น้อยก็ตามเราชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าย่อมอาจจะให้ท่านได้ยินเสียงของเราได้ดั่นนี้แล้ว ทรงเริ่มอนุบุกพีกถาเพื่อแสดงธรรมดุจจับต้นว่าใหญ่สั่นอยู่และดุจอย่างฝนคือมาตาธรรมให้ตกอยู่ขณอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ชนผู้ยืนอยู่ข้างหน้าก็ตามข้างหลังก็ตามอยู่เลยร้อยจั ก, กรวาลพันจั ก, กรวาลก็ตามอยู่ในอาการนิพพุก็ตามย่อมกล่าวว่า พระศาสดาย่อมทอดพระเนตรดูเราคนเดียวทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียวแต่จริงพระศาสดาทรงเป็นดุจทอดพระเนตรดูชนนั้นๆและเป็นดุจตรัสกับคนนั้ น, น, นในย่ว่ารพระปรทธจ้าทั้งหลายอุปมาดั่งพระจันทร์ย่อมปรากฏเหมือนประทับยืนอยู่ตรงหน้าแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ยืนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง เหมือนพระจันท์ลอยอยู่แล้วในกลางหาวยมปรากฏแกป่ปวงสัตว์ว่าพระจันทร์อยู่บนศีรษะของเราพระจันท์อยู่บนศีรษะของเราดังนี้ได้ยินว่านี้เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงตัดพระเศียรที่ประดับแล้วทรงควักในตาที่ยอดดีแล้วทรงชำละเนื้ออาไทยแล้ว ทรงบริจาคอรสเช่นกับพระชาลีที่ดาเช่นกับนางกันหาชินาประชาบดีเช่นกับนางมัดสีให้แล้วเพื่อเป็นทาตของผู้อื่นตอนนางวิสากาได้นามว่ามิกรัมารดาฝายมิกราเศรษฐีเมื่อพระตัาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักย้ายธรรมเทศนาอยู่นั่งอยู่ภายนอกม่านนั่นเอง รงตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิพัอันประดับด้วยพันในประกอบด้วยอาจราะศัทธาเป็นผู้หมดสงสัยในรัตนาสามยกชายม่านขึ้นแล้วมาเอาปากอมถันหญิงสะัยตั้งนางไวในตำแหน่งมารดาด้วยคำว่าเจ้าจงเป็นมารดาของฉันตั้งแต่วันนี้ไปจำเดิมแต่วันนั้นนางวิสาขาจึงได้ชื่อว่า มิคารามาดาแล้วภายหลังได้บุตรชายจึงได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ามิคาระมหาเศรษฐีปล่อยทันของหญิงสบายแล้วไปหมอบลงแทะพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าหนวดฟันพระบาทด้วยมือและจุมพิษด้วยปากและประกาศชื่อสามครั้งว่าข้าพระองค์ชื่อมิคาระพระเจ้าข้าดังนี้แล้วเป็นต้นกราบถูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบตลอดการเพียงเท่านี้ว่าทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนานี้มีผลมากข้าพระองค์ทรงทราบผลแห่งทานในบัดนี้ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกทั้งปวงหญิงสะใภ้ของพระองค์เมื่อมาสู่เรือนนี้ก็มาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ดังนี้แล้วจึงได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าข้าพระองค์นั้นย่อมรู้ทั่วถึงทานในเขตที่บุคคลให้แล้วมีผลมากในวันนี้หญิงสะใภคนดีของข้าพระองค์มาสู่เรือนเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์เนาะดังนี้นาวิสากาทุนนิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้น แม้ในวันรุ่งขึ้นแม่ผัวก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วจำเดิมแต่การนั้นเรือนหลังนั้นได้เปิดประตูแล้วเพื่อพระศาสนาตอนมิกราเศรษฐีทำเครื่องประดับให้นางวิสาขาลำดับนั้นเศรษฐีคิดว่าสไพายของเรามีอุปกระมากเราจะทำบรรณารให้แก่นาง เพราะเครื่องประดับของสไพนั้นหนักไม่อาจเพื่อประดับตลอดการเป็นนิดได้เราจะให้ช่างทำเครื่องประดับอย่างเบาๆให้แก่นางควรแก่การประดับในทุกอริยบททั้งกลางวันและกลางคืนเหนนี้แล้วจึงให้ทำเครื่องประดับชื่อคณะมัตตกะอันมีราคาแสนหนึ่งเมื่อเครื่องประดับนั้นเสร็จแล้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นบระมุขให้ฉันโดยความกรรบแล้วให้นางวิสาขาอาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอมส6บหกหม้อให้ยืนถวายบังคมพระศาสดาในที่เฉพาะประปรักของพระศาสดาแล้วพระศาสดาทรงทำอนุโมทนาแล้วเสด็จไปสู่วิหารตามเดิมจำเดิมแต่การนั้นแมหนางวิสาขาทำบุญ มีทานเป็นต้นอยู่ได้พรแปดประการจากสำนักพระศาสดาปรากฏประหนึง่งจันทะเลขาคือวงจันท์ในกลางหาวถึงความเจริญด้วยบุตรและทิดาแล้วได้ทราบมาว่านางมีบุตรสิบคนมีทิดาสิบคนบรรดาบุตรชายและหญิงเหล่านั้นคนหนึ่งคนหนึ่ง มีบุตรคนละสิบคนมีธิดาคนละสิบคนบรรดาหลานเหล่านั้นคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีบุตรคนละสิบคนมีธิดาคนละสิบคนจำนวนคนได้มีตั้งแปดพรยิคนเป็นไปด้วยสามารถแห่งความสืบเนื่องแห่งบุตรหลานและเหลนของนางวิสาขานั้นอย่างนี้ด้วยประการชนี นางวิสาขาเองก็ได้มีอายุ120ปีชื่อว่าผมหอกบนสีษะแม้เส้นหนึ่งก็ไม่ได้มีนางได้เป็นพระหนึ่งเด็กหญิงรุ่นอายุราว16ปีเป็นนิดชนทั้งหลายเห็นนางมีบุตรและหลานเป็นบริวารเดินไปวิหารย่อมถามกันว่าในหญิงเหล่านี้คนไหนคือนางวิสาขา จนผู้เห็นนางเดินไปอยู่ย่อมคิดว่าบัดนี้ขอจงเดินไปหน่อยเถิดแม่เจ้าของเราเดินไปอยู่เที่ยวย่อมงามชนที่เห็นนางยืนนั่งและนอนก็ย่อมคิดว่าบัดนี้จงนอนหน่อยเถิดแม่เจ้าของเรานอนแล้วแลย่อมงามนานได้เป็นผู้ใกลๆพูดไม่ได้ว่าในอริยทั้งส่นางย่อมไม่งาม ในอรีบทชื่อนอนด้วยประการชนีก็นางวิสาการนั่นแลย่อมทรงกำลังเท่าช้างห้าเชือกพระราชาทรงสับว่าได้ทรงทราบว่านางวิสาขาทรงกำลังเท่าช้างห้าเชือกในเวลานางไปวิหารฟังธรรมแล้วกลับมามีประสงค์จะทรงทดลองกาลังจึงรับสั่งให้ปล่อยช้างไป ฉางนั้นชูงวงได้วิ่งรี่เข้าใส่นางวิสาขาแล้วหญิงบริวารของนางห้าร้อบางพวกวิ่งหนีบางพวกไม่ละนางเมื่อนางวิสาขาถามว่าอะไรกันนี่จึงบอกว่าแม่เจ้าได้ทราบว่าพระราชาประสงค์จะทดลองกำลังแม่เจ้าจึงรับสั่งให้ปล่อยช้างนาวิสาขาคิดว่า ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นช้างนี้แล้ววิ่งหนีไปเราจะจับช้างนั้นอย่างไรน้อแลจึงคิดว่าถ้าเราจับช้างนั้นอย่างมั่นคงช้างนั้นจะพึงชิบหายได้ น, นี้แล้วจึงเอานิ้วสองนิ้วจับห่วงนั้นแล้วผลักไปช้างไม่อาจทรงตัวอยู่ได้ได้ส่วนล้มลงที่พระลานหลวงแล้ว มหาชนให้สาธุการนางพร้อมกับบริวารได้กลับเรือนโดยสวัสดีตอนนางวิสาขาลืมเรื่องประดับไว้ที่วิหารก็โดยสมัยนั้นแหลนางวิสาคามีกระมานดามีบุตรมากมีหลานมากมีบุตรหาโรคไม่ได้มีหลานหาโรคไม่ได้สมมุติกันว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งในกรุงสาวัตถีบรรดาบุตรหลานตั้งพันมีจำนวนเท่านั้นแม้คนหนึ่งที่ชื่อว่าถึงความตายในระหว่างไม่ได้มีแล้วในงานมหรสพที่เหมือนมงคลเจ้ากรุงสาวัตถีย่อมันเชิญ น, นางวิสาขาให้บริโภคก่อนต่อมาในวันมหารสศพวันหนึ่งเมื่อมหาชนแต่งตัวไปวิหาร เพื่อฟังธรรมแม้นางวิสาขาบริโภคในที่ที่เขาเชนแล้วก็แต่งเครื่องมหาลดาประสาทไปวิหารกับด้วยมหาชนได้เปลืองเครื่องอาพรให้แก่หญิงคนใช้ไว้ที่พระธรรมสังฆากาจารย์ได้หมายเอาคำนี้ว่าก็โดยสมัยนั้นแลในกรุงสาวัตถีมีการมหมาระศพ มนุษทั้งหลายแต่งตัวไปวัดแล้วแม่นางวิสาขามิครามานดาก็แต่งตัวไปวิหารครั้นนั้นแหลนางวิสาขามิครามานดาเรื่องเครื่องประดับผูกให้เป็นห่อที่ผ้าห่มแล้วได้ส่งให้หญิงคนใช้ว่านี่ยแม่เจ้าจงรับหอนี้ไว้ได้ยินว่านางวิสาขานั้น เมื่อกำลังเดินไปวิหารคิดว่าการที่เราสวมเครื่องประดับมีค่ามากเห็นป่านนี้ไว้บนสีรระแล้วประดับลังการจนถึงหลังเท้าเข้าไปสู่วิหารไม่ควรเธอจึงได้เบื้องเครื่องประดับนั้นออกแล้วห่อไว้แล้วได้ส่งให้ในมือหญิงคนใช้ผู้ส่งกำลังเท่าช้างห้าเชือก ผู้เกิดด้วยบุญของตนเหมือนกันหญิงคนใช้นั้นคนเดียวย่อมอาจเพื่อรับเครื่องประดับมหาลดาประสาทนั้นได้เพราะเหตุ น, นั้นนางวิสาขาจึงกล่าวกับคนใช้นั้นว่าแม่จงรับเครื่องประดับนี้ไว้ฉัจนจกสวมมันในเวลากลับจากจำนักของพระาศาสดาก็นางวิสาขา รันให้เครื่องประดับมหาลดาประสาทนั้นแล้วจึงสวมเครื่องประดับที่ชื่อว่าคณะมันกะได้เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาสดับฟังธรรมแล้วในที่สุดแห่งการสดับฟังธรรมนานถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะลีบไปแล้วฟ้ายิงคนใจนั้นของนางลืมเครื่องประดับนั้นแล้ว ก็เมื่อบริษัทฟังตามหลีกไปถ้าใครลืมของอะไรไว้พระอนนติระย่อมเก็บงงำของนั้นพระเหตุดังนี้ในวันนั้นท่านเห็นเครื่องมหาลดาประสาทแล้วจึงทูลแก่พระศาสดาว่านางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้แล้วไปพระชจ้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าจงเก็บไว้ในที่สุด ข้างหนึ่งเถอด อ, อนุนพระเทระยกเครื่องประดับนั้นเก็บคล้องไว้ที่ข้างบันไดฝายนางวิสาขาเที่ยวเดินไปภายในวิหารกับนางสุ ป, ปิยาด้วยตั้งใจว่าจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่ภิกษุอากันตุกกภิกษุเตรียมตัวจะไปและภิกษุเป็นไข่เป็นต้นโก็โดยปกติแลภิกษุหนุ่ม และสามเณรผู้ต้องการด้วยในยใสน้ำพึ่งและน้ำมันเป็นต้นเห็นอุบาสิกาเหล่านั้นในภายในวิหารแล้วย่อมถือปาชนะมีถาดเป็นต้นเดินเข้าไปหาถึงในวันนั้นก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันครั้งนั้นนางสุ ป, ปิยาเห็นพิษสุขให้รูปหนึ่งจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไร เมื่อพิสุขใรูปนั้นตอบว่าต้องการรสแห่งเนื้อคือน้ำเนื้อต้มจึงบอกว่าได้พระผู้เป็นเจ้าที่ฉันจะส่งไปในวันที่สองเมื่อไม่ได้เนื้อที่เป็นกัปปยะจึงทากิจที่ควรทำด้วยเนื้อขาอ่อนของตนด้วยความเลื่อมใสในพระศาสดาก็กลับเป็นผู้มีสรีระตั้งอยู่ตามปกตินั่นแหละ ภายนางวิสาขาตรวจดูพิกสุตรหนุ่มและสามเณรผู้เป็นไข้แล้วก็ออกโดยประตูอื่นยืนอยู่ที่อุปาจาราวิหารแล้วพูดว่าแม่เธอจงเอาเครื่องประดับมาฉันจะตกแต่งในขณะนั้นหญิงคนใจนั้นรู้ว่าตนลืมแล้วออกมาจึงตอบว่าดิฉันลืมแม่เจ้า ในวิสาขากล่าวว่าถ้ากระนั้นจงไปเอามาแต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอาณ์เถระของเรายกเก็บไว้ในที่อื่นเจ้าอย่าเอามาฉันบริจาคเครื่องประดับนั้นถาวายพระผู้เป็นเจ้านั้นแหละในยะว่านางวิสาขานั้นย่อมรู้ว่าพระเถระย่อมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษย์หรือไม่เพราะเหตุ น, นั้น จึงพูดอย่างนั้นตอนนางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์ฝ่ายพระเตระพอเห็นนางคนชายนั้นก็าถามว่าเจ้ามาเพื่อประสงค์อะไรเมื่อหญิงคนชายนั้นตอบว่าลืมเครื่องประดับของแม่เจ้าของที่ฉันจึงได้มาพระเตระจึงกล่าวว่าฉันเก็บมันไว้ที่ข้างบันไดนั้น เจ้าจงเอาไปหญิงคนชจนั้นตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าหอบพันธะที่ท่านเอามือถูกแล้วแม่เจ้าของที่ฉันสั่งไม่ให้นำเอาไปหลังนี้แล้วก็มีมือเปล่ากลับไปหญิงคนชานั้นถูกนางวิสาขาถามว่าอะไรหรือแม่นางจึงบอกเนื้อความแกนางวิสาขานั้นนางวิสาขากล่าวว่าแม่ ฉันจะไม่ประดับเครื่องที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถูกต้องแล้วฉันบริจาคแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้ารักษาไว้เป็นการลำบากฉันจะจำหน่ายเครื่องประดับนั้นแล้วจากน้อมนำสิ่งที่เป็นกับะยะไปเจ้าจงไปเอากเรื่องประดับนั้นมาหญิงคนใช้นั้นไปนำมาแล้วน่าวิสาขาไม่แต่งกเรื่องประดับนั้น สังให้เรียกพวกช่าง่องมาแล้วให้ตีราคาเมื่อพวกช่างตองเหล่านั้นตอบว่ามีราคา9โกดแต่สําหรับค่ากาหนดต้องถึงแสนจึงวางเรื่องประดับนั้นไว้บนญาณแล้วกล่าวว่าถ้าการะนั้นพวกท่านจงขายเครื่องประดับนั้นไม่มีใครจะอาจให้ทรัพย์จำนวนเท่านั้นรับไว้ได้เพราะหญิงผู้สมควรประดับ เครื่องประดับนั้นหาได้ยากแท้จริงหญิงสามคนเท่านั้นในปัตภีมณฑนได้เครื่องประดับมหาลดาประสาทคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาหนึ่งนางมริกาพระยาของพันธุละมัลละเสนาบดี 1, หนึ่งและลูกสาวของเศรษฐีกรุงพระนาศีอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนางวิสาขา จึงให้เครื่องประดับนั้นเสยเองทีเดียวแล้วให้ขนรับก้าวโกรธกำ1ังแสนขึ้นใส่เกวียนนำไปสู่วิหารถวายบังคมพระศ า, าสดาแล้วกราบทูลว่าพระชก้่าพระอนอนเทระผู้เป็นเจ้าของหม่อมฉันเอามือถูกต้องเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้วจำเดิมแต่การที่ท่านถูกต้องแล้ว หม่อมฉันไม่อ่านประดับได้แต่หม่อมฉันให้ขายเครื่องประดับนั้นด้วยคิดว่าจะจำหน่ายน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นกับปิยะมาไม่เห็นผู้อื่นจะสามารถรับไได้จึงให้รับค่าเครื่องประดับนั้นเสียเองมาแล้วหม่อมฉันจะน้อมเข้าไปในปัจจัยไหนในปัจจัยสี่พระเจ้ขาข่าพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าวิสาขา ถ้าอย่างนั้นเธอควรทำที่อยู่เพื่อสงฆ์ใกล้ประตูด้านทิศประจีนเธอนางวิสาขาถูนรับคำแล้วมีใจเบิกบานจึงเอาทรัพย์ข้าโกดซื้อเฉพาะที่ดินนางเริ่มสร้างวิหารด้วยทรัพย์อีก9้าโกดตอนการสร้างวิหารของนางวิสาขา9ก้าเดือนแล้วจึงเสร็จ ต่อมาวันหนึ่งพระาศาสดาทรงดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีนามว่าพัตยะผู้จุติจากเทวโลกเกิดแล้วในตระกูลเศรษฐีในพัธยานครพระาศาสดาทรงทมพัตกิจในเรื่องของอนาตบินทกาเศรษฐีแล้วก็เสด็จบ่ายพระพัก ไปยังประตูด้านทิศอุดอรแม้ตามปกติพระศาสดาทรงรับภิกษุในเรือนกองนางวิสาขาแล้วก็เสด็จออกประตูด้านทักษินประทับอยู่ในเชตวันทรงรับภิกษุในเรือนของอนาถาบินกทกษิีแล้วก็เสด็จออกทางประตูด้านประจีนประทับอยู่ในบุพารามจนลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จดำเนินมุ่งตรงประตูด้านทิศอุดรแล้วย่อมรู้ว่าจะเสด็จไปสู่ที่จาริกในวันนั้นแม้นางวิสาขาพอทราบว่าพระาศาสดาเสด็จดำเนินบายพระพักไปสู่ทางประตูทิศอุดรจึงรีบไปถวายบังคมแล้วกราบทูนว่าก็แต่พระองผู้เจริญ พระองค์ประสงค์จะดำเนินไปสู่ที่จาริหรือพระชาชว่าพระศาสดาถูกแล้ววิสาขาหนังวิสาขาขณะพระองค์ผู้เจริญก็เมื่อบ่มชันบริจาคทรัพย์จำนวนเท่านี้ให้สร้างวิหารถวายพระองค์โปรดเสด็จกลับเติมพระชาชว่าพระศาสดานี้เป็นการยังไม่กลับวิสาขาหนังวิสาการนั้นจะมีความคิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเห็นไกลๆผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุเป็นแน่จึงกราบทูลว่าถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งภิกษุรูปหนึ่งผู้เข้าใจการงานที่หม่อมฉันทำแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ทำให้กลับแล้วเสด็จไปเถิดพระชจ้าพระศาสดาวิสาขาก็เธอพอใจภิกษุรูปใดจงรับบาตรของภิกษุรูปนั้นเถิด แม่นางจะพอใจตั้นพระนนเตระก็จริงแต่คิดว่าพระมาโมกรณะเตระเป็นผู้มีฤทธิ์การงานของเราจะพลันสำเร็จก็เพราะอาศัยพระเตระนั่นเดนนี้แล้วจึงรับบาทของพระมาโมกรณะไว้พระเตระและดูพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าโมกรณะเธอจงพาภิกษุบริวารของเธอห้าร้รูป กลับเถิดท่านพระมหาโมกละนะได้ทําตามพระดารัดนั้นแล้วก็โดยอนุภาพของท่านพวกมนุษย์ผู้ไปเพื่อต้องการไม้และเพื่อต้องการหินเพื่อจะมาทําวิหารระยะทางแม้ตั้ง5 0าสถึงหกสิบโยธก็ขนเอาไม้และหินมากมายมาทันในวันนั้นนั่นเองแม้ยกไม้และหินใส่เกวียน ก็ไม่ลำบากเพลาเกียนก็ไม่หักในการต่อมาพวกเขาก็สร้างปร า, าสาทสองชั้นสำเร็จปร า, าสาทนั้นได้เป็นปร า, าสาทประดับด้วยห้องพันห้องคือชั้นล่างห้าร้อห้องชั้นบน500ห้องพระศาสดาเสด็จดำเนินจาริกไปโดย9้าเดือนแล้วได้เสด็จกลับมาสู่กรุงสาวัตถีอีก แม้การงานในประสาทของนางวิสาขาก็สำเร็จโดยเก้าเดือนเหมือนกันนางให้สร้างยอดประสาทอันจุดน้ำได้ห0สิบหม้อด้วยทองครรมสีสุกที่บุเป็นแท้งนั้นแหละนางได้ยินว่าพระศาสดาสเสด็จไปยังเชตวันมหาวิหารจึงทำการต้อนรับนำพระศาสดาไปวิหารของตนแล้วรับปฏิญญาว่า ก็แต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรโดพาภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ในวิหารนี้ตลอดสเดือนนี้หม่อมฉันจะทำการฉลองพระศาสตรพระาศาสดาจึงส่งรับแล้วจาเดิมแต่การนั้นนางวิสาขานั้นย่อมถวายทานแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธชาติเป็นประธานในวิหารนั่นแหละกรณนั้นหญิงสายคนหนึ่ง ของนางถือผ้าปืนหนึ่งราคา 1,000 มาแล้วกลาว่าวว่าสหายฉันอยากจะลาดผ้าปืนนี้โดยสังเกตว่าเรื่องลาดพื้นในปราสาทของเธอขอเธอช่วยบอกที่ลาดแก่ฉันเถิดนายวิสาขาจึงกลา่าวว่าสหายถ้าฉันจะบอกแกท่านว่าโอกาสไม่มีท่านก็จะสำคัญว่า ไม่ปรารถนาให้โอกาสแก่เราท่านจงตรวจดูพื้นแห่งประาสาทสองชั้นแล้วห้องพันห้องแล้วรู้ที่ลาดเอาเองเถิดหญิงสายนั้นได้ถือผ้าราคาพันเที่ยวเดินตรวจดูในที่นั้นนั้นไม่เห็นผ้ามีราคาน้อยกว่าผ้าของตนนั้นแล้วก็ถึงความเสียใจว่าเราไม่ได้ส่วนบุญในปราสาทนี้ ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้วในที่แห่งหนึ่งขณะนั้นพระนนทเทระเห็นหญิงนั้นแล้วถามว่าเธอร้องไห้เพราะเหตุอะไรนางจึงบอกเนื้อความนั้นพระเตระกกล่าวว่าอย่าคิดเลยเราจะบอกที่ลาดให้แก่ท่านแล้วกล่าวว่าท่านจงลาดไว้ที่บันไดทำเป็นผ้าเช็ดเท้าพี่สุดทั้งหลายล้างเท้าแล้ว เช็ดเท้าที่ผ้านี้ก่อนจึงจะเข้าไปในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นผลเป็นอันมากก็จะมีแก่ท่านก็ได้ยินว่าที่นั่นเป็นสถานที่อันนางวิสาขาไม่ได้กำหนดไว้นางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในภายในวิหารตลอดสเดือนในวันสุดท้าย ได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ผ้าสาดกเพื่อทำจีวรแก่ภิกษุใหม่ในสงฆ์ได้แล้วได้มีราคาพันหนึ่งนางได้ถวายเภสัชเต็มบาทแก่ภิกษุทุกรูปนางได้บริจาคทานทรัพย์ได้หมดไปถึง9โกฎนางวิสาขาบริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมด27กดก คือในการซื้อพื้นที่แห่งวิหารเก้าโกดในการสร้างวิหารเก้าโกดในการฉลองวิหารเก้าโกดด้วยประการชนนี้ชื่อว่าการประจักษ์เห็นป่านนี้ย่อมไม่มีแก่หญิงอื่นผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งสตรีผู้อยู่ในเรือนของคนผู้มีมิจฉาทิฏฐิตอนนางวิสาขาเปล่งบุทานในวันฉลองวิหารเสร็จ ในวันแห่งการฉลองวิหารเสร็จในเวลาบ่ายนายวิสาขานั้นอันบุตรหลานแวดล้อมแล้วคิดว่าความปรารถนาใ ด, ดอันเราตั้งไว้แล้วในการก่อนความปรารถนานั้นนั้นทั้งหมดเดียวถึงที่สุดแล้วจึงเดินเวียนรอบประสาทเพลงอุทานนี้ด้วยเสียงอันไพเราะด้วยห้าคาถาเหล่านี้ว่า ความดำริของเราว่าเมื่อไรเราจะถวายพระสาตวใหม่ชาบด้วยปูนขาวและดินเป็นวิหารทานดังนี้ได้บริบูรณ์แล้วความดำริของเราว่าเมื่อไรเราจะถวายเตียงต่างฟูกและหมอนเป็นเสนาสนะพันดังนี้บริบูรณ์แล้วความดำริของเราว่าเมื่อไรเราจะถวายสลากพัด ผสมด้วยเนื้ออันสะอาดเป็นโภชนะทานดังนี้ก็บริบูรณ์แล้วความดําริของเราว่าเมื่อไหร่เราจะถวายผ้ากาสิกพัดผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นจีวรทานดังนี้ก็บริบูรณ์แล้วความดําริของเราว่าเมื่อไหร่เราจะถวายเนยใสหนยข้นน้ำพึ่งน้ำมัน และนำอ้อยเป็นเพสัตทานดังนี้ก็บริบูรณ์แล้วก็เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วกราบทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่าการขับร้องของนาวิสาขาพวกข้าพระองค์ไม่เคยได้เห็นในการประมาณเท่านี้วันนี้นางอันบุตรและหลานแม่ล้อมแล้ว เพลงเดินเวียนรอบประสาดดีของนางกำเริบหรือนอแหลหรือนางเสียชริตไปแล้วพระศาสดา จ, จริงตรัสว่าพิกสุตองหลายทิดาของเราหาขับเพลงไม่แต่อาชาใาสาส่วนตัวของเธอนั้นเต็มเปี่ยมแล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่เราตั้งไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งบุทาน ก็เมื่อพิกสุทังลายกราบดุลว่าก็นางตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระชจ้าะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอทลายจะฟังอย่างนั้นหรือเมื่อพิสุตังลายกราบดุลว่าจะฟังพระชจ้าะจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ว่าตอนบรุรพกรรมของนางวิสาขาพิสุทังลาย ในที่สุดแสนกับจากนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตระทรงอุบัติขึ้นแลในโลกพระองค์ได้มีพระชนมายุแสนปีมีภิกษุกีณาศพแสนหนึ่งเป็นบริวาร น, นครชื่อหังสาวดีพระชนกเป็นพระราชานามว่าสุนันทะพระชนนีเป็นพระเทวีนามว่าสุชาดา อุบาสิกาผู้เป็นยอดอุปัฏฐากาของพระศาสดาองค์นั้นทูลขอพรแน8ประการแล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาบำรุงพระศาสนาด้วยปัจจัยสี่ย่อมไปสู่ที่บำรุงทั้งเย็นและเช้าหญิงสายคนหนึ่งของอุบาสิกานั้นย่อมไปวิหารกับอุบาสิกานั้นเป็นนิจหญิงนั้นเห็นอุบาสิกานั้น พูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคยและเห็นความเป็นผู้สนิทสนมกับพระศาสดาจึงคิดว่าเธอทำคมอะไรน้อแลจึงเป็นผู้สนิทสนมกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ดา น, นี้แล้วที่ได้ตูลตามพระศาสดาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญหญิงนี้เป็นอะไรแก่พระองะาคา์พระเจ้าข้าพระศาสดาเธอเป็นเลิศ แห่งหญิงผู้อุปถายิกาหญิงผู้นั้นก็แต่พระองค์ผู้เจริญนางกระทำกรรมอะไรจึงเป็นเลิศแห่งหญิงผู้อุปถายิกาพระเจ้าข้าพระศาสดาเธอตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับหญิงนั้นก็แต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบัดนี้มอมฉันปรารถนาแล้วอาจจะได้หรือไม่พระเจ้าค่า เมื่อพระสัสดาตอบว่าอาจได้ยิงนั้นจึงกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากระนั้นขอพระองค์กับภิกษุแสนรูปโปรดพึงรับพิกษาของหม่อมฉันตลอดเจวันเถิดพระสัสดาทรงรับแล้วยิงนั้นถวายทานครบเจ็วันในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีปนถวายบังคมพระศาสดา หม่อมลงแทบบานมูลตั้งความปรารถนาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญด้วยผลแห่งทานนี้หม่อมฉันปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่าในอย่างหนึ่งก็หาไม่หม่อมฉันพึงได้พรแผ่ประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาเป็นยอดของอุบาสิกา ผู้สามารถเพื่อบำรุงด้วยปัจจัยสีพระศาสดาได้มีความนํารีว่าความปรารถนาของหญิงนี้จะสําเร็จหรือไม่หนอจึงส่งคําหนึ่งถึงอนาคตการตรวจ ด, ด, ดูตลอดแสนกับแล้วจึงตรัสว่าในที่สุดแห่งแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจะทรงอุบัติขึ้นในการนั้นเธอจะเป็นอุบาสิกา ชื่อวิสาขาได้พรแปดประการในสำนักของพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาจะเป็นเลิศแห่งหญิงผู้เป็นอุปัฏายิกาผู้บำรุงด้วยปัจจัยซีนั่นนี้สมบัตินั้นได้เป็นประนึ่งว่าอันนางจะพึงได้ในบรนพรุ่งนี้ทีเดียวนางทำบุญจนตลอดอายุแล้วจุตีจากอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลก ต้องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัส ป, ปะเป็นพระธิดาพระนามว่าสังฆ า, าสีผู้พระกนิษฐาของบรรดาพระธิดาเจพระองค์ของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากีกิยังไม่ได้ไปสู่ทกนูน่นทรงทาบุญมีตานเป็นต้นกับด้วยเจ้าพี่หญิงเหล่านั้น ตลอดการนานได้ทำความปรารถนาไว้แม้แทบบาดมูลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะว่าในอนาคตกาลหม่อมฉันพึงได้พรแปลประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้ถวายปจัจจยศีกก็จำเดิมแต่การนั้น นางต้องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในตาภาพนี้ได้เกิดเป็นทิดาของทนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรแห่งเมณทกะเศรษฐีตอนสัตว์เกิดแล้วควรนำกุศลให้มากพระศาสดาครั้นทรงแสดงอดีตนิทานจบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทิดาของเราย่อมไม่ขับเพลง ด้วยประการชนนี้แลแต่เธอเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้จึงเปล่งอุทานก็เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสว่าพิษุทั้งหลายนายมาลาการผู้ฉลาดทำกองดอกไม้ต่างๆให้เป็นกองโตแล้วย่อมทำพวงดอกไม้มีประการต่างๆได้ฉันใดจิตของนาวิสาขา ย่อมน้อมไปเพื่อทำกุศลมีประการต่างๆฉะนั้นเหมือนกันตอนนี้แล้วนายตรัสพระคาตานี้ว่านายมาลาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้ฉันใดสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพเกิดมาแล้วควรทำกุศลไว้ให้มากฉะนั้นบาลีว่า ยะถาปิปุพพะราสิมหากะยิรามาลากุเลพหูเอวังชาเตนะมจเจนะกะตับพังกุสลังพระหงในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปุพพ ร, ราสิมหาแปลว่าจากกองดอกไม้ได้แก่จากกองแห่งดอกไม้มีประการต่างๆคำว่ากะยิรา แปลว่าพึงกระทำคําคว่ามาลาคุเนผะหูแปลว่าพวงดอกไม้ให้มากหมายความว่ามีมาลาวิกติหลายชนิดต่างโดยชนิดมีดอกไม้ที่ร้อยขั้วข้างเดียวเป็นต้นคําว่ามัจเจนะแปลว่าผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพหมายความว่าสัตว์พูดได้ชื่อว่ามัจจะ คือตายเพราะความเป็นผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลต่างๆโดยกุศลมีการถวายจีวรเป็นต้นไว้ให้มากทรับคือปุปภ ร, ราสิแปลว่ากองดอกไม้ในพระคาถานั้นมีอันแสดงดอกไม้มากเป็นอัดก็ถ้าดอกไม้มีน้อยและนายมาลาการฉลาด ก็ย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ให้มากได้เลยส่วนนายมาลาการผู้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้จะมีน้อยก็ตามมากก็ตามย่อมไม่อาจโดยแท้แต่เมื่อดอกไม้มีมากนายมาลาการผู้ฉลาดขยันเสียบแหลมย่อมทำพวกดอกไม้ให้มากนี้ฉันใดถ้าสธาของบางคนมีน้อย ส่วนโภคะมีมากผู้นั้นย่อมไม่อาจทำกุศลให้มากได้ก็แลเมื่อศรัทธาน้อยทั้งโภคะก็น้อยก็ย่อมไม่อาจก็แลเมื่อศรัทธาโอราณและโภคะน้อยเขาก็ย่อมไม่อาจเหมือนกันก็แต่เมื่อศรัทธาโอราณและโภคะก็โอราณเขาย่อมอาจทำกุศลให้มากได้ฉะนั้นหนางวิสาขากาุบาิกา ผู้เป็นเช่นนั้นแหลพระสัสดาทรงหมายนางวิสาขานั้นจึงตรัสคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่านายมาลาการพึงทำดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้ฉันใดสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพเกิดมาแล้วควรทำกุศลไว้ให้มากฉะ น, นั้นในเวลาจบเทสนาชวนเป็นมากได้เป็นนริยะผล มีโสดาปฏิบลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แกมหาชนแล้วดังนี้แหละเรื่องนางวิสาขา